ผู้มีอุปัาย์นีรมิตรจงกรมในกาศในสมาคมิ่งพญาที่นิโคทารลมเพราะพระพุทธเจ้าแสดงเองเนะสูตรนี้นะพระบรมศาสดาแ ส, สดงไว้ในคัมภีร์จริยาปีดกพุทธวงศ์หนึ่งสองคัมภีร์นะไปอ่านดูแล้วก็ในชาดกต่างๆก็จะเอามาเล่าค่อนข้างบ่อยฟังตอนนี้ก็ตื่นเต้นเดี๋ยวมาขอเล่าสรุปดีกว่าถ้าเอามาอ่านมันจะยาวเนาะตอนที่พระบรมศาสดาเ ส, สด็จไปที่พระปยุรญาตที่นิโคทาราม ตอนนี้นิโคธารามก็อยู่ที่กบิลพัทตอนนี้ก็เป็นวัดล้างแนละ้วที่ตรงนั้นแหละพระบรมศ า, ศาสดาสเสด็จโดยด้อมโดยภิกษุษสงฆ์2องหมืนลูปนี่นึงตอนนั้นก็หมู่ประยุวญาติก็เกิดกระด้างกระเดื่องเกิดมานะทิฐิทิถีมานะไม่เชื่อฟังเพราะว่าถือว่าตนเองอายุมากกว่าละกว่าเยอะก็เป็นปกตินะทิฐิบางคนก็เอทิฐิพระมานะกระสันีาาา่เยอะ ทนี้ก็พระ อ, องค์ก็แสดงอภิญหานพอแสดงอภิญหานอยู่ที่กรุงกบิลพัทที่นิโคทารามตอนนั้นภาษารีบบูตอยู่ที่เขาคิชกูนที่กรุงราชกฤชห่างกันมากนะถ้านั่งรถก็เป็นวันๆเนี่ยนะภาษาริบบูตก็เห็นนะเห็นพระบรมศาสดาด้วยที่พระจักรสร ก็เลยพร้อมได้พลิกสื่อสงฆ์นะสัตยภัยหาลิก็ของท่านเน่ยห้าร้อยลูกข้อหอกไปเป้าพระปรมศาสดาแล้วก็ไปกราบแทบมูลบาทของพระปรมศาสดาแล้วก็ให้พระปรมศาสดาเนี่ยแสดงธรรมแล้วก็ที่แสดงยมคัพเทียบคือปรารถนาจะชมจะชมพระบารมีญานของพระพุทธเจ้าชมชื่นชมพยานของพระปรมศาสดาแล้วก็จะประกาศพยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ปรากวดภาษาบุญธน้ำแสดงเนี่ยนี่ ท่านก็บอกว่าว่าเราเป็นพราหมเนี่ยชื่อสุมเมธาอยู่ในกรุงอมรอวดีสะสมทรัพย์ไว้หลายโกดมีทรัพย์สมบัติและกฐัญยาหารมากมายเป็นผู้คงเกลดเรียนนละทรงจํามนด้วยจบไตรเพศถึงความสําเร็จในคัมภีร์ทํานายลักษณะและอิทธิหาศาสตร์อิทธิห้าในธรรมะของตนนั่งคิดอยู่ในที่สงัดอย่างนี้ว่าการเกิดในภพใหม่และการที่สรีละแตกดับไปในเป็นทุกข์แสดงมีอัจฉริยะใสามาไหเนี่ย สุเมธานี่สร้างบา ร, รมีมาเท่าไหร่สิบหกอสงไขยแล้วครั้งนั้นเราก็มีความเกิดความแก่ความป่วยไข้เป็นธรรมด า, าเราจักแสวงหาพัธิพาณที่ไม่แก่ไม่ตายอันเป็นแดนเกษมดูดีท่านคิดแล้วเอาเถอเราควรเป็นผู้ี้ไม่มีความห่วงใยไม่มีความต้องการละทิ้งร่างกายที่เปื่อยเน่าเต็มไปด้วยซากสตา ง, ตางๆนี้ไปเสียเอาใครจะคิดได้อย่างท่าน เราเนี่ยท่ายังไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าคิดมุมนี้ได้ไหมบอกโอ้โหเนี่ยเราจะทิ้งแล้วร่างกายที่เปื่อยเน่าเนี่ยเต็มไปด้วยซากศพต่างๆอีในร่างกายมีศพเยอะไหมเ อ, อาบยสัตว์เยอะไหมในสรีระเนี่ยโอ้โหเชื้อโรค ก, ก็เยอะเลยนะมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายกันเนี่ยซากศพทั้งนั้นในสรีระอันเน่าเปื่อยเนี่ยกายนี้ไม่มีส่วนไหนงามเลย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 เตมสรีระร่างกายของกระแสใจของสัตว์ของสัตว์ทั้งหลายมันก็เป็นที่สืบพันธุ์มันก็ในนี้แหละเป็นที่เป็นลงทายก็อยู่ในนี้เป็นโลงอาหารมันก็อยู่ในเนี้ยเป็นสถานที่กินที่ดื่มที่เกิดที่ตายก็มันก็อยู่ในนี้แสดงว่าเป็นเต็มไปด้วยซากศพต่างๆผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ก็วิจัยก็เห็นโทษเห็นโทษการว่าเห็นโทษเนี่ย ออาบางทีเนี่ยหมอเขาก็ผ่าตัดเนี่ยผ่าสลีล่าเขาก็เห็นไม่งามเต็มไปหมดแต่หมอไม่ไม่เห็นโทษเนาะพยาบาลอยู่ห้องผ่าตัดกันมาเยอะเนี่แต่ก็ไม่เห็นโทษเนาะเอาสิเพราะอะไรไม่เห็นนาะไม่เห็นโทษเหตุผลในการที่ไม่เห็นโทษเพราะตาบอดเนี่ยปัญญาเนี่ยปัญญายาไม่เกิด ไม่ใช่ตาเนื้อไม่ใช่ความคิดแบบเก่าๆที่สั่งไม่ได้มีเหตุปัจจัยในการสังสมแต่ถ้าเห็นจริงๆจะเต็มไปด้วยโทษมรรคนั้นมีอยู่ก็จักมีมรรคนั้นไม่อาจจะไปไม่มีเหตุเราจักสแสวงหามารรคนั้นเพื่อเพื่อหลุดพ้นไปจากภพท่านบอกว่ามันจะต้องมีทางออกจากภพะก็ทางไปในภพมันยังมีแล้วทางออกจากภพทําไมจะไม่มีอี่าลืมแนละ้วว่าท่านมีกรรมสกตาสมาทิฏฐินะท่านได้พิญญาหนะ้านั่นแน่ กรมสกทาสัมมาทิฏฐิเกิดกับท่านนะเมื่อความทุกข์มีชื่อว่าความสุขก็ต้องมีแม้ฉันใดเมื่อพบมีอยู่วิภพจําต้องปรารถนาฉันนั้นอถ้าพบมีอยู่การปรารถนาความไม่มีพบก็ต้องมีเมื่อความร้อนมีอยู่ความเย็นอย่างอื่นก็ต้องมีแม้เฉันใดไฟสามกองนี่นะราคาโทสารโมหะมีอยู่นิพพานคือความดับไปจำต้องปรารถนาอย่างนั้น เมื่อราคาโทสะโมหะมีอยู่การดับราคาโทสะโมหะคือสภาวะของพระนิพพานก็เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเชนั้นเมื่อความชั่วมีความดีก็ต้องมีแม้ชั้นใดเมื่อความเกิดมีอยู่ความไม่เกิดจําปรารถนาไหมถ้าความชั่วมีความดีมีใช่ไหมถ้าความเกิดมีอยู่การไม่เกิดต้องปรารถนานี่คนนี้เขาคิดมุมกลับได้เมื่อการคิดมุมกลับนี่เรื่องสำคัญใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นนี้ทำไมเราต้องโปรด ทำไมเราต้องโกรธเนี่ยเพื่ถามตัวเองเราคิดกลับไม่ได้คือคิดแบบไม่โกรธนะ่ะคิดไม่เป็นเลยคิดได้โกรธอย่างเดียวแล้วได้มุมเดียวคิดออกจากความโกรธไม่ได้บุตรผู้ตกไปในหลุมคูดเห็นสระน้ําเต็มไม่เข้าไปหาสระน้ําไม่ใช่เป็นความผิดของสระแล้วตกไปในหลุมของอุจจระสระน้ําข้างหน้ามีแต่ไม่ยอมไปอาบน้ําในสระ เป็นความผิดของศรหรือความผิดของบุรุษนั้นความผิดของบุรุษนั้นน่ะทำไมไม่ไปอาบน้ำราคาโทรศาโมหามีอยู่เนี่ยทางที่จะดับราคาโทรศาโมหาก็มีอยู่ทำไมไม่เดินนิพพานที่เป็นที่ดับราคาโทรศาโมหามีอยู่ทำไมไม่ไม่เข้าไปถึงให้ได้ไม่ใช่ความผิดของทางไม่ใช่ความผิดของพระนิพพานแต่ความผิดของผู้เดินไม่ยอมเดินใช่ไมเอราคาเกิดที่ใจด่ะ แต่ทำไมเราไม่พลิกใจเราเดินไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องเมื่อสายน้ำำําอมรรตมีอยู่บุคคลไม่สแสวงหาสายน้ํานั้นอันเป็นที่ชําระมณทินคือกิเลสนั้นไม่ใช่ความผิดของสายน้ยําำแต่เป็นความผิดของบุรุษนั้นเมื่อทางไปมีอยู่บุรุษนั้นถูกพวกงฆ่าศึกปิดล้อมไม่ยอมหนีไปนั้นไม่ใช่ความผิดของทางเอาเขาปิดหมดแล้วกิเลสปิดแต่ทางออกจากกิเลสมีอยู่ ทางออกจากชาติมีคือความเกิดทางออกจากความแก่ความเจ็บความตายความโศกความล่ํายลําพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความค้าแค้นใจมีไหมถ้าเราไม่ยอมออกเป็นความผิดของทางหรือความผิดของบุรุษนั้นว่าความผิดของบุรุษนั้นว่างั้นคนป่วยหมอมีอยู่เนะเป็นต้นเหื่องนี้นะ คนกดเพื่องารากศพที่น่ารังเกียจที่ผูกไว้ที่คอแล้วไปอยู่เป็นความสุขอย่างเสรีตามลําพังตนชั้นใดเอาเถิดเราควรเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยไม่มีความต้องการละทิ้งร่างกายที่เปื่อยเน่าเต็มไปด้วยซากศพนเสียชั้นนั้นคนชายหญิงเนี่ยนะทายอุจระลงในส้วมแล้วย่อมละทิ้งส้วมไปไม่มีความห่วงใยไม่มีความต้องการแม้ชั้นใดแยก็ทายอุจระประสัสสวะแล้วเรามีความ เสียดายเปล่าไมเสียดายไหมแงรู้อย่างนี้ห อ, อกลับบ้านไม่เสียดายเลยใช่ไหมเราจะทิ้งร่างกายที่เต็มไปด้วยซากศพนี้ไปเสียดุดคนทายอุจจาระลงในซุวมแล้วลาทิ้งไปชนั้นโอ้โหท่านไม่อะไรเลยเนาะไม่อะไรไม่เย็นดีในสรีระในกะเรวาราเลยเราจะกลักทิ้งร่างกายที่มีทวารทั้งก้าที่ไม่สะอาดไหลออกอยู่เป็นนิด ดุดเจ้าของเรือนละทิ้งเรือนที่คําค่าไปตาเนี่ยนี่ตา่ร่างกายก็ทวารก็ทวานตาสองทวารหูสองทวานจ ม, มูกสองทวานปากหนึ่งทวารหนักทวารเบาเก้าหมก็เหมือนตะปูตอกเรือนเนี่ยเรือนหลังนี้เก่าอย่างเนี่ยเก่าแล้วสมควรทิ้งไงเนี่ยทิ้งเรือนหลังนี้ไปสร้างเรือนหลังใหม่อาะผิดอีกใช่ไหม เลื่อนหลังไหนก็เป็นแบบนี้ก็มีจักรสี่ทวารเก้าไอทวารเก้าคือตะปูเก้าดอกตอกลมก็โยกใหญ่แล้วชราใช้ลมไหมพยาธิใช้ลมไหมลมความโศกความล่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความครับแค้นใจเจอลมพายคุคือมรณะตายเลยเห็น <c oughs> ไ, ไหมตะปูตอกไม่อยู่หลอกบ้านหลังเนี้ ดินน้ำใบลมเนี่ยจะปูต่อกเก้าดอกตอกที่ตาสองตอที่จมูกสองตอกที่หูอีกสองตอกที่ปากอีกหนึ่งทวารหนักทวารเบาขนาดตอกใหม่ๆก็ดูแน่นดีใช่ไหมแต่นี่หลวมหลวมพมดแล้วหลวมหมดแล้ ว, ลวมมแล้ ว, วลมก็พัดฟังเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเนาะมันมันลมมันพัดโยกซ้ายโยกขวาจะไปหมดแล้วเอาเหอ เราจักเป็นผู้ไม่ห่วงใยเนาะเราจะเป็นผู้ไม่ห่วงใยไม่มีความต้องการละทิ้งร่างกายที่เปือยเน่าเต็มไปด้วยซากศพนี่สิแล้วก็บอกว่าเราจักทิ้งบุรุษนำสิ่งของที่มีค่าไปกับพวกโจรเนาะเห็นภายคือการถูกพ้นสิ่งของจึงละทิ้งโจรไปเสียชั้นใดกายนี่ก็เหมือนนั้นเหมือนมหาโจรเน่ กายคือมหาโจร น, นั่นแหละท่องกันว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกคือมหาโจรมหาพุธรลกและอุปาทยรโลกคือมหาโจร น, นามธรรมาก็เป็นมหาโจรนะเราควรอยู่กับเขานานๆไหมไว้ใจได้ไหมโจรเนี่ยว ไ, ไว้ใจไม่ได้หรอกเขาฆ่า เขาป้นตอนนี้เขาป้นนี่ยังเนี่ยป้ น, นนี่ยังความหนุ่มหายไปไหนความว่องไวกาลังวังชาหายไปไหนเขาย่นเรียบร้อยไปหมดแล้วเด็กหญิงคนนั้นหายไปไหนเด็กชายคนนั้นหายไปไหนหนุ่มคนนั้นสาวคนนั้นหายไปไหนบางคนโดนป้นหนักเลยนะไม่ชั ถ้าบางทีมันหายไปอย่างนี้ก็บางคนบางคนเนี่ยมันดึงฟันไปหมดหมดปากแล้วโดนป้นน่ะข้านะะข้าวฆ่าทิ้งไหมมันฆ่าทิ้งเนี่ยมาหาโจรเราจักลรากายนี้ไปเพราะถูกป้นกุศลธรรมเกลี้ยงเลยคืนเราอยู่ในกายนี้เราก็ถูกป้นทุกวัน เอา้ามีวันไหนไหม่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวสัมมาอเยมาสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดทุกวันเลยอะเกิดอย่างต่อเนื่องไม่มีใครมาป้นได้เลยมั่นคงดุดเสาละเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงไหมโอ้โหอแป๊บเดียวก็โดนป้นบกกําลังจะก่อไม่ได้สักนี้แต่โดนป้นไปแล้วใช่ไหมเอางี้ที่วันนี้จะเรียนกุศลใช่ไหมเพราะกลับไปถึง ที่บ้านเห็นบ้านลกๆหงุดหงิดอีกแล้วตอนนั้น่ะอริยทรัพย์ที่สะสมมาเต็มใจหายหมดแล้วเนีโดนพ้นได้อีกแล้วเก็บให้ดีสั่งสมให้ดีขั้นเราคิดอย่างนี้แล้วก็ได้สลาทรัพย์หลายร้อยโกรธคนที่เขาคนที่มีที่พึ่งแล้วไม่มีที่พึ่งแล้วก็ไปยังป่าหิมะพาน ที่ไม่ไกลาจากภูเขาหิมะวันนะั่นนะมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่าธรรมิกะเราสร้างอาสมอย่างดีสร้างบรรณาศาลายางดีเราสร้างที่จงกรมเว้นโทษห้าประการแล้วก็ประกอบไปด้วยคุณแปดประการเป็นต้นตรงนี้ท่านก็บอกกล่าวเขาไว้นะโทษแห่งการเดินยงกรมห้าประการก็คือสถานที่ที่ขุกขระนี่เป็นโทษมีต้นไม้อยู่ก็เป็นโทษเป็นที่รกรุงรังแคบเกินไปกว้างเกินไปถือว่าเป็นโทษเท่านั้นนะนะ แล้วพิญญาพ ร, ราทานประกอบด้วยคุณแปดประการที่พระบรมศา ส, สดาตรัสว่าจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดำเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนควรแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นคุณนะคุณของสมาบัติพระดาบทก็เว้นโทษของผ้าเก้าประการนะผ้ามีโทษนะผ้ามีราคามาก ต้องขอผู้อื่นใช้สอยแล้วก็หมองเร็วผ้าที่มีราคามากเนี่มีโทษเอามาใช้แป๊บเดียวหมองอีกแล้วเนี่ยเนียผ้าที่หมองแล้วจําต้องซกักแล้วต้องย้อมนีม่ก็เป็นโทษอีกเห็นไหมเนี่ยผ้าที่ใช้สอยเก่าแล้วก็จะต้องชุนต้องปะ เ, ออเป็นโทษอีกแสวงหาผ้าใหม่ก็ยากท่าน อ, อยู่ในป่าเนี่ยนะผ้าไม่สมควรแก่การบวชเป็นดาบดเป็นดาบดาบไม่สมควรใช้ผ้า พ่อข้าศึกก็ใช้ได้บอกเดี๋ยวโจรมาเห็นก็จะ่ักผ้าอีกก้นเอาผ้าอีกก็เป็นโทษอีกต้องระวังรักษาไม่ให้พ่อข้าศึกลักไปได้อหูต้องระวงระวังได้จิตไม่เป็นสมาธิจิตก็จะภาคแต่กุศลอีกเป็นเหตุให้นุ่งห่มมีการแต่งตัวนุ่งไปเดี๋ยวกิเลสเกิดอีกนั่นก็เป็นโทษแล้วก็ถือเที่ยวไปกลายเป็นผู้มั ก, กมากเดี๋ยวเที่ยวไปเที่ยวไปเดี๋ยวกลายเป็นคนมักมากก็อีกไม่ดีเลยว่างั้นท่านก็เลยสละสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยไม่เอาผ้าเลยทั้งนี้ ใช้เปลือกไม้ดีไหมทีนี้วาวากะจีรังกับผ้ากองเนี่ยผ้าเปลือกไม้ผ้าที่ทําด้วยเปลือกไม้ทึงทําด้วยผ้าด้วยย่ามุงกระต่ายที่เป็นเส้นๆเนี่ยแล้วก็ถักใช้ผ้ากองเนี่ยมีอันนี้212ประ ก, การด้วไหมมีราคาน้อยไม่ต้องขอคนอื่น <laughs> ถักเองได้ใช่ไหมเห็น <laughs> <He ard S 1> ไหมเนะวิธีคิดโดยที่จักมหาเศรษฐีใหญ่อยอมสวรรนี่มหาเศรษฐีใหญ่ไปนุ่งผ้าเปลือก ไม้อ่ะใหญ่ที่สุดก็คิดดูนะแจกทานแจกไงก็ไม่หมดเนะี่ยก็เลยเปิดประตูก็ไว้เอาท่านทั้งหลายเชิญหยิบกันเอาเองคิดอย่างนี้ใจรีบร้อนจะไปบวชอนะยากบมเพ็ญเน่ขมาสามารถทำใช้เองก็ได้ใช่ไหมเปิดกไม้เนะี่ยไม่ต้องไปจ้างนะ ผ้าค่อยๆมองไปเลยก็เปลือกไม้มันนานนานเก่าก้อนเป็นเปลือกไม้อยู่แล้วเมื่อใช้เก่าไปก็ไม่ต้องเย็บเปลี่ยนใหม่ได้เลยไม่ต้องกลัวคนรักแล้วใครจะไปรักเบลือกไม้เห็นไหมเนี่ยสแสวงหาก็ได้ง่ายในป่ามีจะเปลือกไม้เต็ไมไปหมดสแสวงหาง่ายด้วยเหมาะแก่การบวชเป็นดาบดดาบดอยู่ในป่าต้องใช้เบลือกไม้ถึงจะถูก ไม่เป็นเหตุให้นุ่งห่มมีการแต่งตัวจะไปแต่งไปทําไมก็เปลือกไม้ไม่ต้องแต่งอยู่แล้วใช่ไหมมีความมักน้อยเป็นปัจจัยคือจีวร น, นั้นจะเป็นมกักมากได้ไงเปลือกไม้มันนุ่งอยู่งี้ไหมกันการราคาได้ด้วยใช้ก็สะดวกหาเปลือกไม้เกิดก็ง่ายเมื่อผ้าเปลือกไม้สูญหายก็ไม่เสียดายอย่างเราจะผ้าหายเสียดายใช่ไหมวันก่อนมีพระบอกว่าโท บ, บอกก็บอกเอาจีวรไปตากแล้วไม่รู้ใครลัก ดูดิจีวรนผ้ายัางหายอามาก็เลยบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาพิจารณาพี่จีวรหายยอมลองดีเดียเอาผ้าไปตานลองหายหมดหายไหมลองน่งเปลือก ม, ยม้ยัหายไหมไม่หายนะี่เป็นอย่างไงครั้งนั้นสุเมธธาดาบทาพักอยู่ในบรรณศาลาใกล้รุ่งรุกขึ้นพิจารณาเรืงเหตุที่ตนออกบวชก็คิดว่า เราจะละทิ้งบ้านประดุษสถานที่อยู่กรุงเทพธิดางดงามด้วยสมบัติโอฬารตอนบริจาคทานเป็นทานบารมีไหมเป็นไหมพอมาบวชนี่บำเพ็ญศีลบารมีได้ไหมแล้วเป็นเนคขมารบารมีไหมสรุปแล้วกล่าวสามบารมีแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> นเดี๋ยวมาจะบอกลักษณะที่เจตุกะของบารมีเหล่านั้นเดี๋ยวออกมาจะกล่าวจริงๆจะต้องกล่าวให้ได้สามบารมี ก็ทําไงได้เรื่องมันเยอะจะไม่เวลามันน้อยจะไม่จช่เรื่องมากแต่เวลาน้อยทีนี้หน้าเรื่นลมด้วยเรือนที่หัวเราะและพูดจากันเพลาะว่างั้นนะเราจะละทิ้งบ้านเรือนไป็นดศสถานที่อยู่ของเทพธิดางดงามด้วยสมบัติอโนราห์หน้าเรื่นลมด้วยคนในเรือนที่หัวเราะและพูดจากันเพลาะไม่ได้ไปตอนที่เขาเศร้าโศกเสียใจด้วยนะเขากําลังลักไข่กันสนุกสนานเนี่ย คนที่มีอัธยาศัยในการบวชมานานๆเนี่ย NXT. เขาเห็นคนหัวเราะกับการร้องไห้มันเป็นอันเดียวกันเลยเนี่ยหัวเราะนี่หัวเราะนี่โลภะใช่ไหมร้องไห้ร้องไห้โดยโทสะใช่ไหมสรุปแล้วทั้งหัวเราะและร้องไห้เป็นอกุศลใช่ไหมเขาคิดอย่างนี้เขาบอกหัวเราะและร้องไห้ไม่ต่างกันเลยลงอาบายหมดนเนี่ยนะคิดออกเลยระหวนางระหว่างหัวเราะกับร้องไห้ไหนเดียวกันถือเป็นความดีไหมไม่ดีทั้งคู่อะ หัวเล้อก็โลภะร้องไห้ก็โทสะไม่รู้ตามความเป็นจริงก็โมหะสรุปแล้วเป็นมิจฉาบฏิปทาว่ามันไม่เอาดีกว่าทีนี้ท่านคิดอย่างนี้ถ้าอย่ า, างนั้นไม่ให้หัวล้อจะทำไงกลับไปบ้านไปนั่งหน้าบึงบ้งๆเขายิ้มได้เพราะมหากรุสโสมนัส ม, มีอยู่แต่มหากรุสโสมนัสไม่มีหัวล้อจึงอลงไปกลิ้งก็ไม่มีหรอกใช่ไหมถ้าอย่างนั้นไม่ใช่แน่ๆนั่นเป็นโลภะ เจือด้วยเสียงกำไลมือกำไลเท้าทำทองใหม่กระทบกันดุดทิ้งก้อนเขละก็บอกโอ้ยเหมือนก้อนเขละอยู่ในปากอยู่ในลิ้นพร้อมที่จะคายทิ้งเขาก็ไปยังป่าตะโปวันสถานที่บำเพ็ญตะบะลอยบาปทองชนทั้งพวงเพราะเป็นผู้ยินดีในวิเวกแต่การที่เราเนี่ยพักอาศัยในบรรณาสาน้ยมเป็นดุดการคองเรือน ทรังที่สองเอาละเราจะพักอาศัยที่โคนไม้พระปรมศาสดาก็ตรัสว่าเราได้ละทิ้งบรรณศาลารวมเป็นที่แปดประการชื่อว่าโทษแปดประการนะบรรณศาลานะสร้างให้สาเร็จต้องใช้เป็นเครื่องปรุงแต่งมากบำรุงด้วยบหญ้าแล้วก็ไม้ดินเหนียวเป็นต้นเป็นประจำอู้ยากอย่าอยู่เลยอยู่บรรณศาลาก็ลําบากอีกเดี๋ยวไหมเดี๋ยวเป็นเครื่องกังวลไม่เอาแล้วอันแรก เสนาสนะประชดชมรถไหมต่อไปจะเป็นกังวลอีกใช่ไหมการที่ต้องย้ายออกไปในเวลาไม่สมควรจะไม่เอ็นเ อ, เ อ, เอกะกตาจิตและจิตคลาดเคลื่อนเนี่ยแลจิตกําลังดิ่งเป็นสมาธิเดี๋ยวก็ต้องย้ายอะไรเงี้ยไม่เหมาะต้องถนุถนอมกายเพราะกระทบกระทั่งความเย็นและความร้อนอถ้าออกไปข้างนอกก็ร้อนอยู่ข้างในก็พอสบายสบายเนี่ยนะมีเหตุจะต้องปกปิดเสียงกรหาผู้ เข้าสู่เรือนกระทําความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็บอกว่าถ้าปิดประตูเบีดเสร็จแลอยู่ข้างในเบีดเสร็จเนี่ยอย่าก็ข้อหาได้ไหมคนอื่นก็เอ๊ะทาไมออกบวชแล้วปิดเงียบเลยเยังไม่ออกมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเป็นเหตุทําให้คนตําหนี่ตกนรกอะ่ะโอ้โหคนดีเนี่ยนะเขาคิดป้องกันความคิดคนอื่นด้วยเนา ะ, ะเราถ้าเราปิดประตูอยู่เงียบคนเดียวถ้าคนอื่นเขาจะคิดชั่วกับเราเนี่ยเรากังวลความคิดคนอื่นไหม อพระกังวลเนะีะบางทีพระอยู่ในห้องเยีงเงยบๆเนี่ยแต่พระองค์อีกองคหนึ่งไปเนี่ยกลแอบจะจะข้อประตูนเนี่ยจะต้องรีบเปิดนะเดี๋ยวอีกพระองค์หนึง่งเอแอบทําชั่วอะไรหรือเปล่าใช่ไหมต้องตนุถนอมกายกระทบแล้วก็เป็นเหตุปกปิดเขาละข้อคาลหาเลยครับแล้วก็สแสวงห่วงเห็นว่าเรือนนี้เป็นของเราว่าอยู่เป็นนานๆกย็ยึดมหมเยึดเต็ดต้องอยู่อย่างมีเพื่อน ปัญหานั่นเองนะเป็นสถานที่ทั่วไปแก่สัตว์ทั้งหลายมีเลนเลือดจริงจกเป็นต้นเป็นโทษแปประการของการอยู่ศาลาก็อยู่ในบ้านก็มีโทษเนาะจริงจกทักแกมีเยอะมั้ยมดก็เยอะนะเขาก็ว่าเป็นบ้านเขาเนี่ยนะเขาไปยึดเหมือนเรายึดนี่แหละโคนไม้มีคุณสิบประการริเริ่มขวนขวายน้อย ได้ความไม่มีโทษโดยง่ายเพราการเข้าอยู่โคนต้นไม้นั้นเกิดความสําคัญว่าไม่เที่ยงเพราะเห็นความเปลี่ยนแปลงของใบไม้เอออยู่ที่ต้นไม้เนี่ยความไม่เที่ยงจะปรากฏชัดเพราะใบไม้มันจะเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวร่วงเนี่นะแล้วก็ไม่มีความตนหนีจากเสนาสนะถ้าใครมาขอก็พร้อมที่จะให้เอาที่ถ้ามีอยู่กับต้นไม้นั้นมีคนบอกว่ขออยู่ต้นไม้ต้นนี้อ้าวได้ต้นไม้มีเยอะในป่าทั้งนั้นเนี่ยเชิญคุณอยู่ตามสบายเที่เราก็ไม่ห่วงใช่ไหม เมื่อจะกระทำความชั่วที่โคนต้นไม้ก็ละอายเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความลับในการทําชั่วเาจะไปทําได้ไงโล่งๆใช่ไหมป้องกันบาปตนเองได้ด้วยไม่มีความหวงแหนแล้วก็ได้อยู่ร่วมกับเทวดาที่ต้นไม้มีเทวดาอยู่ด้วยแล้วก็ปฏิเสธที่มุงบังโอ้ได้ได้คลองด้วยไม่ต้องอาศัยที่มุงบังมีความสะดวกสะดวกในการใช้สอยไม่มีความกังวลด้วยเสนาสนะคือโคนไม้ก็หาได้ง่ายเดินไปที่ไหนก็มีที่อยู่ สุเมธาดาบดก็เห็นโทษของบรณารณาศาลาเห็นคุณของต้นไม้อ ย, อย่างนี้แล้วก็เข้าไปอยู่ที่โคนต้นไม้สร้างกําลังของอภิญญาทั้งห้าให้ล่วงเลยไปได้สุขจากการเข้าสมาบัติโอ้โหท่านได้ท่านได้ฌานได้ได้ฌานแปดไ ด, 8, ได้สมาบัติแปดเมธมารดาเนะีสมาบัติแป่ใกล้จะถึงเวลาอ ย, ยังไม่รู้ยังเนาะยังนะ ทีนี้พระทศพิรยานนามว่าพระทีบางกรนนะทำการส่งข้อหมาชนทั้งปวงอยู่ทรงกระทําความแกล้าแก่พลมานนะผู้ทรงกระทําปทีบคือญาณนะผู้ทรง ท, รทํคาททความเกษมแก่โลกทั้งสิ้นพอบรรลุบรบรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์สี่แสนรูปเสด็จาริกไปโดยดําดับใช่ไหมเมื่อกี้เราดูในภาพนั่นแหละไปถึงรําณรํามณนครนครนั้นแหะเรื่อนล้อมอย่างยิ่งประท่าประสาทอยู่ในสุทัศนาหมาวิหารอันนี้เหมือน เ, เหมือนกันในมหาสุทัศน์สุดนะคล้ายๆกันฝ่ายประชาชนชาวรัมยาคนครก็ต่างถือดอกไม้ของหอมเต้นก็ไปยังสุทัศน์มหาวิหารสถานที่ประทับของพระทศพลยานนั้นทูลราตนาฉันปัทหารในวันลุ่งขึ้นในวันต่อมาต่างก็จัดเตรียมมหาทานช่วยกันประดับทางแล้วก็ตั้งแต่สุทัศน์มาหาวจนถึงรมยาคนครหูสร้างทางอย่างสวยงามในประดับประดาในขณะนั้นสมีท้าดาบทมาและเหาะมาธากาศ แปลกไหมหอมมาทางอากาศด้วยกรณียกิจของเทวดาวางงบางอย่างได้เห็นมหาชนร่าเริงยินดีช่วยกันแพ้วถางทา ง, ทางก็เหาะลงมาก็คิดว่ามหาชนเนี้ยไม่ได้ทำอย่างอื่นเพื่อพระราชาต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ๆก็ลงมาเลยลงมาจากอากาศก็มนุษย์ก็ถามว่าท่านสุมเมธาผู้เจริญแสดงว่ามนุษย์รู้จักท่านนะรู้จักศรัทธา ไม่ทราบหรือว่าพระสัมมาสัสมพุทธเจา้านามวัตถีบังกรมรรลุอนุตตรสัมมาสัสมโพธิญาณแล้วแล้วทรงประกาศ ธ, ธรรมาจ า, ารันประเสริฐให้เป็นไปแล้วจาเล็กถึงชนบทถึงพระนครของพวกเราโดยลําดับประทับอาศัยอยู่ที่สุดทัศน์สน า, าวิหารว่างั้นสังเกตไหมตอนที่พระเจ้าประสูตรมืนจกักรหมืนจักรวาลก็หวั่นไหวตัดสรู้มืนจักรวาลก็หวันหวนวนหว่นไหวแสดงธรรมาจักมื่นจักรวาลก็หวั่นไหวแต่ท่านไม่ได้ยิน ใช่ไมไม่ได้ได้ยินเนี่ยการอยู่ในสมาบัติเอ๊ะอย่างนี้สันนิษฐานพวกเราได้ไหมในอดีตตงสัยไปเข้าสมาบัติอยู่เลยไม่ได้ยินบอกองค์กบอกไม่ใช่งงตกนรกอ่าใช่ยอยู่างนี้ท่านเข้าสมาบัติก็เลยไม่ได้ยินว่าพระบระมา ศ, าศาสดาวบัตเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันแผ่วถางทางเนี่ยขณะนั้นสุเมทาดาบดได้ฟังก็แม้ แล้วคิดว่าแม้การจะประกาศว่าพุทธโธพุทธเจ้าเนี่ยหาได้ยากมั้งไม่ต้องกล่าวถึงการที่พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นในโลกแค่คําว่าพุทธโธใช่ไหมก็หาได้ยากแล้วแสดงว่าท่านเข้าใจพยัญชนะนี้ดีนะั่นอัฏฐาก็เข้าใจถึงอัฏฐาของพยั ญ, ญชนะนั้นอย่างชัด เ, เราได้ยินพุทธโธตั้งแต่เล็กแน้อยมยัแต่ไม่เคยมีความรู้สึกกระปี้กระเป๋าอะไรในใจเลยใช่ไหม คำว่าพุโทโธในกับฝังในกระแสะใจท่านแรงมากนั้นตรงนี้เราท่านทั้งหลายเนี่ยนะฝังพุทธคุณไว้ฝังให้แน่นนิงท่านจะได้ที่พึ่งถ้าฝังคุณของพระบรมศาสดาไ ม, นนไม่แน่นในกระบวนกาดานเนยที่สุดจริงๆก็เคลื่อนเพราะเคลื่อนจากภพนี้สู่ภพใหม่อุปนิสยปปจจัยไม่แข็งแรง ได้ยินคาว่าพุทธโธก็เฉยๆอย่างชาตินี้ไงอย่างชาตินี้ไงตั้งหลักใหม่ตอนนี้ยังมีโอกาสอยู่นะเนี่ยรับตั้งแต่วิชาทีนี้เป็นต้นไปเนะี่ยมีโอกาสที่จะรีบฝังพุทธคุณไว้ในใจให้แน่นให้หนาแน่นให้แข็งแรงเพราะโอกาสในการที่จะน้อมคุณของพระบรมศ า, ศาสดาไว้ในใจนั้นนะ่ะมันเหลือน้อยลงน้อยลงเราไมใจขาดเมื่อไหร่ก็มโอกาส เพอเพบางทีไปหกล้มออรู้จักยอมคนหนึ่งนะตั้งใจจะฟังทำเนี่ยนะยตั้งใจบอกแล้วน่เข้าน่ะเข้าไม่ทันได้ตั้งใจฟังเด่นเรียบร้อยเข้าห้องน้ำก็ไปล้มเข้าห้องน้ำตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยเนี่ยฟื้นไหมแกบอกโอ้ยต่อไปจะฟังพุทธคุณก็บอกเองเลยนะตั้งใจอมาบอกรีบสิชีวิตไม่แน่นอะน ท่านว่าอุ้ยทันแน่นอนท่นมานธรรมาบอกไม่แน่หรอกและไม่ทันจริงๆแล้วตอนนี้ท่านจะเจริญพุทธคุณยังไงก็ยังไม่พื้นเลยอ่ะไปล้อมหัวนอกพื้นเส้นเลือดในสมองตากเลือดก็ไหลพูดก็ไม่ได้เปิดเปลือกตายังไม่ได้เลยอ่ะแล้วจะทํำยังไงแล้วเราล้านั้งหลายกระแสของชีวิตเนี่ยมันจะขาดลงนะวันไหนก็ไม่รู้ต้องมามัวเพื่อเพลินกันอยู่ใช่ไหม รีบฝังพระทุคุณไว้ให้นั่นในกระแสะใจเถอะจะได้พอมีที่พึ่งมีสาระที่จะเป็นไปในพบต่อไปบ้างจุตติจิตดับเนี่ยแปลว่าสาระขาดใช่ไหมถ้าอย่างนี้แปลว่าท่านฝังมาสิบหกสงงข่ายอ่ะฉะนั้นเพียงแค่ต่ายินพุทธโธหายากมากไม่ต้องกล่าวถึงการที่จะบาบตดเกิดขึ้นของพระบรมศาสดาแม้ตอนเราก็สมควรจะช่วยมนุษย์เหล่านี้แผ่วทางทางที่พระทศพลยานเสด็จมา ขันสมาธาดาบทคิดอย่างนี้แล้วก็กล่าวกับมนุษย์เหล่านั้นว่าท่านผู้จเจริญทั้งหลายถ้าพวกท่านช่วยกันแผ่วถางทางนี้เพื่อพระบรมศ า, ศาสดาแล้วซ้ายขอพวกท่านจงให้ส่วนแห่งทางนี้แก่ข้าพเจ้าด้วยแม้ข้าพเจ้าก็จะช่วยแผ่วถางทางเพื่อพระบรมศาสดาพระองค์นั้นเอาละครว่าขอทางเดีเยวขอมีส่วนนะเชื่อมความก็คือว่าสุมเมธาดาบทกล่าวอย่างนี้แล้วก็มนุษย์เหล่านั้นก็นับว่าดียรสาธุสุมเมธัณฑิตมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก ก็เอาทายากๆไปก็แล้วกันก็คนมีเลธินี่นะเนรมิตได้อะไรได้เนี่ยอุย้ยทันตื่นเต้นเลยสมมุติจะให้เราแบกรับภาระในการที่จะสร้างสิ่งของต่างๆหรือทำเหตุปัจจัยต่างๆที่จะถวายพระเจ้าเนี่ยเราหนักใจไหมบางคนเขาไม่หนักใจเลยเนะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่บอกว่า ทั้งทั้งนี้ตนเองก็ยากจนเนี่ยเขาบอกให้รับในการถวายอาหารพระเป็นแสนแสนลูกเป็นหมืนหม่นๆืนแสนแสนลูกแกยังคิดไม่ออกแนรับทันทีนี่ไงถ้าคนอย่างนี้เหมาะใช่ไ้ไมลำดับนั้นสุเมธาดาบทก็เกิดปีติมีพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คิดว่าเราสา ม, มารถที่จะกระทำสถานที่ตรงนี้ ให้เป็นทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งโดยริดได้แต่โอกาสสถานที่เรากระทาอย่างนั้นไม่ทําให้เราภูมิใจภูมิใจได้ไงเนรมิตทางมนโนถวารวิถีใช่ไหมคิดแป๊บเดียวก็เป็นแล้วไม่ภูมิใจใช้ความเพียร น, น้อยเราจะใช้กําลังของเราทั้งหมดทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่อยู่ภายในแล้วก็กําลังกายทั้งสิ้นทั้งหมดเนี่ยในการที่จะแผ่ถางทางถวายเป็นพุทธบูชาเอาชีวิตเป็นเดิมพันหมดเลย ทำจริงจริงจังๆแล้วเนี่ยคนคิดอย่างเงี้ยคนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเขาคิดกันแบบนี้เอาบางท่านนี่นะบางท่านก็ไปถวายเป็นพุทธบูชาไปที่ตรงพระเจดีย์เขาก็ไปขัดไปเช็ดไปถูไปกวาดไปบูชาไปทำอะไรต่างๆอย่างเนี้ยทำได้เลี้ยวแหลงตัวเอง มีอยู่ครั้งนึ่งนะอมมาก็ขึ้นไปบนเจดีย์ตรงยุทธยาพภกเขาทองเนะี่ยไม่ใช่พภูเขาทองที่ที่นกรุงเทพในะที่อ ย, ยาโอ้ยนกพรีราบมันก็เป็นไม่รู้เป็นกี่ปีแล้วคนเขาไม่ทํากันเะน่ยกองประเด็นบันทึกเลยอามาก็เห็นนี้ทําไงดีเนี่ยก็เป็นนั่นมียอมเขาเห็นก็ไปช่วยทําทําตั้งแต่จันจเจรยญเนี่ย กว่าจะเสร็จกันเนี่ยนะเล่นถ้าจนเย็นแล้วต้องขนใส่กระสอบแล้วก็แบกลงมาจากข้างบนเนี่ยขนใส่กระสอบก็แบกต่างขนต่างก็ทำคือได้ความชื่นยาที่เราได้อุปถาพระบรมศาสด า, ศ า, ศาได้อุปถาท่านได้ดูแลได้ได้ถวายเป็นวัทธบูชาก็ขนดินนะนะนกมันเอาไป ไปทิ้งข้างบนแล้วก็ขนจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วสูงก็สูงนี่ทํากันอยู่ประมาณสี่ห้าชั่วโมงห้าหกคนนี่แต่อยันเนี้ยก็คือเหมือนเพล่ทางทางนี่แหละถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยนั้นเราท่านทั้งหลายก็ไปทํำกันบ้างเจอสถานที่ตรงไหนก็ทําถวายเป็นพุทธบูชาอย่างนี้สิใช่ไหมเราใช้กายใช้วาจาใช้ใจของเราเนี่ย เ, เราเนรมิด จากการที่ใช้รู ป, ปรกายที่ไดทำลำดับนั้นสุมเมธาดาบวตท่านก็ทีนี้เมื่อทำเป็นไปตามลำดับเหล่านั้นน ะ, น ะ, น ะ, นะยังไม่ทันเสร็จนั่นแหละพรามนุษย์ก็กกาบทูนเพราะปรมส า, าสดาเลยว่าพระพุทธเจ้านะมาแล้วลำดับนั้นพระพุทธเจ้าทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงสี่แสนลูกที่เทวดานุศบูชาอยู่รุ่งโรจน์ประดุดังดวงพานุ ม, มากมีรัศมีหนึ่งพัน ร่องรอดอยู่ท่ามกลางฟ้าเสด็จมายัางรำมณครครั้งนั้นสุเมธาดาบดไดเห็นพระบรมศาสดากระทำโลกธาตุทั้งสส้นในสว่างสวยัยถึงกันด้วยพุทธสรีหาสิ่งเปรียบเทียบไม่ได้ทรงยังห้องแห่งยุคคนอรให้สว่างสวยัยเสด็จมาดุจอาทิตย์ยังอ่อนแล้วจมลงในทะเลของปีติโอ้โหปีติเกิดซาบซ่านในกระแสใจของสุเมธาเนี่ยนะ ท่านคิดทันทีเลยเพอเห็นพระบรมศาสดาเท่ า, านั้นเนี่ยท่านบอกวันนี้วันนี้แล้วท่านว่างี้เนี่นะเราควรจะสละชีวิตเพื่อพระทศพลแล้วทิ้งกันดีทิ้งชีวิตเลยไม่ไม่ไม่อะไรเลยอย่างเราก็คิดมากใช่ไหมถ้าคนที่บา ร, รมีไม่แข็งแรงเนี่ยจะคิดมากตัดสินใจช้า คิดแล้วคิดอีกเอ๊ลูกจะว่ายังไงถ้าอย่างเราใช่งไหมถ้าจะทำอะไรเนี่ยบางคนไม่เลยนะตัดสินใจเพื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยทันทีเลยตุ้มๆๆๆเลยใครเป็นแบบนี้มั้ยอันี้เขาเรียกว่าแข็งแกร่งมากเราควรสละชีวิตเพื่อพระทศพลพระผู้ให้พาคเจ้าอย่าได้ทรงเหยียบเปลือกตมนะขอจงเหยียบบนหลังของเราเสด็จพร้อมพระขีนาศบสี่สนลูก เหมือนกับเยียบสะพานก้าวผลึกประดับด้วยแก้วมณีชนะอย่างั้นถ้าเราจะพึงเป็นพระเจ้าผู้เช่นนี้ในอนาคตอ่างนั้นบอกว่าเราจะเป็นพระเจ้าในอนาคตด้วยอาการในกรณีการทำอย่างนี้ตรงนั้นก็คือบอกว่าท่านก็ทอดร่างกายของตนเป็นสะพานสมีธาดาบทก็นอนเอาร่างกายของตนเนี่ยคือสรีระของตนทำเป็นสะพานมุ่งหวังอะไร ท่านกระทำเพื่อประโยชน์บอกว่าถ้าโพธิญาณจากมีแก่เราในอนาคตสุมเมธาดาบทก็นอนบนหลังเปลือกตมก็คิดบอกว่าถ้าเราจะพึงปรารถนาฟังธรรมของพระผู้มีภาคเจ้าในสถานที่นี้แหลขึ้นสู่ธรรม น, นาวาธรรมนาวาขึ้นสู่อริยมรรคกะคือท่านบอกว่าท่านสามารถจะประชุมสติปัฏฐานเนี่ยสมประทานอิทธิบาทอินทร์ศีลพระพุทธชงอริยมรรคนะี่ยประชุมพอิีปัธรรมจากเบื้องต้นเนี่ยนะ สามารถที่จะเคลื่อนธรรมานาวาพาทะเลเคลื่อน้งโลกเยียมหาสมุทรทันทีเดี๋ยวเนี้แล้วก็ไปไประชมลงในโลกุตระบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้แต่ฉานปฏิสัมพิทาแล้วได้พัญญาหกด้วยนะท่านว่าท่านบรรลุได้แน่ข้อมูลขนาดท่านเนี่ยเพราะท่านขั้งคิดเลยก็คิดพุทธคุณก็ฉานสมาบัตของท่านก็มีพุทธคุณนท่านก็คิดได้ปัญญาก็เยอะทำให้บารมีก็สั่งสมมาทั้งสิบหกอสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกับ ถามว่าทไมท่านจะบรรลุไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วบรรลุอย่างยอดเยี่ยมด้วยท่านบอกว่าท่านกระทาตรีระของตนน่ะให้เป็นปาลบังธรรมของพระบรมศาสดาในสถานที่นี้ขึ้นสู่ธรรมะธรรมนาวาเผากิเลสคือราคาโทสามโมหะทั้งปวงบวชเป็นสังฆนวะกะเข้าสู่รัมมานคร ก็เป็นสงฆ์บทใหม่วันนี้เป็นพระ arya เนี่ยท่านบอกข้อนั้นไม่น่าอัศจรรย์สําหรับเราเลยเราไม่ต้องการทําการเผากิเลสคือราฆาโทสมามโมหะในวันนี้แล้วบรรลุพระนิพพานในเพศที่ไม่มีใครรู้จักท่านบอกว่าเราจักไม่บรรลุเป็นสาวกธรรมดาในเพศที่บุคคลที่ตั้งศรัทธาแล้วไปพระนิพพานไม่ได้ฟันงนะในเพศที่คนไม่รู้จักอย่าลืมนะเวลาเราท่านทั้งหลายฟังธรรม ถ้าศรัทธาเราเกิดเนี่ยเราศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ศรัทธาไอ้อามาเนะยหรือสาวกของพระเจ้าแสดงธรรมก็ในยะเดียวกันนะไม่ใช่ที่ว่าไปศรัทธาท่านเหล่านั้นศรัทธาพระเจ้าพระธรรมและอายะสาวกเป็นต้นเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าทําอย่างไรเนาะเราจะพึงบรรลุ ป, ปริมาปริมาสมสมโพธิญาณเนี่ยนนดุจพระทศพลยานเนี่ยเนียขึ้นสู่ธรรมนาวาหมาชนข้ามสังสารสารคอนปรินิพพานในภายหลัง ข้อนี้เป็นสิ่งสมควรแก่เราสุมเมธาดาบทนอนกะทํามะพินิหารคำว่าพินิหารก็แปลว่าอะไรแปลว่าความปรารถนาพุทธภูมิคือการตั้งจิตไว้ให้มั่นคงความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ได้หลายในอะภินิหารเนี้ยปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ตั้งจิตไว้อย่างมั่นคงความปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาเป็นพุทธเจ้านั่นแหละอภินิหาร ประมวลทาแปดประการซึ่งท่านกล่าวไว้มนุษย์สัตตังลิงกะสัมปติท่านก็ประมวลบอกว่าในกรณีที่ท่านปราศหนาเป็นพระพุทธเจ้านี่นะท่านก็ประมวลธรรมะเขาเรียกธรรมะสโมโอทานทั้งแปดประการในการที่จะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่า มนุสตังริงคสัมปติเหตุสัทธารดัสนังปปัชาคุณสัมปติอธิการโรจชันดาตาอัทธาดัมมาสมุทานาอภินิหารโรสมิชาติบอกว่าอภินิหารนะ ความปรารถนาพุทธภูมิย่อมสำเร็จได้ในการประชมองค์แปดประการนั่นหนึ่งความเป็นมนุษย์สองถึงพร้อมด้วยเพศสามก็คือเหตุตัวก็เหตุสี่ 4, ก็การเห็นพระบรมศาสดาห้าบัตรปชาหกก็ถึงพร้อมด้วยคุณเจ็ 7, กิการะแปดก็คือฉันทานี่นะก็คือ ความประชมความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ด้วยเพศเหตุที่จะทําให้สําเร็จเป็นพระราชผลได้ในชาตินั้นการได้เห็นพระบรมศาสดาการได้บรรพชาการถึงพร้อมด้วยคุณคือสมาบัติและพัญญาห้าอธิการะคือการกระทําให้ยิ่งก็คือความเป็นผู้มีประการต่อมางความผู้มีฉันท่าอย่างรุนแรงเพราะเหตุนั้นสมเอาดาบทจึงกล่าวว่าเมื่อเรานอนอยู่บนพื้นดินมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเมื่อต้องการอยู่ก็จะเผากิเลสในวันนี้ได้ สมาแต่จะมีประโยชน์อะไรแกเราที่จะรู้แจ้งพระธรรมในาศาสนาในเพศที่ไม่มีใครรู้จักเราจะบรรลุสัพพัญญตยานเป็นพระเจ้าในหมู่มนุษย์พร้อมทั้งเทวดาจะมีประโยชน์อะไรเราที่เราเป็นผู้ชายเป็นผู้มีกําลังมีความสามารถจะข้ามพ้นแต่ผู้เดียวเราจะทําบรรลุสัพพัญตยานช่วยมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวาโลกให้ข้ามได้ด้วยด้ว ย, วยอทีกาลก็คือกุศลธรรมมันยิ่งใหญ่เนี้ยที่เราได้ทําแล้วใน พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สูงสุดแห่งบุรุษเราจะบรรลุสัพพุตยานช่วยหมู่มนุษย์เป็นอันมากให้ข้ามพ้นจากสังสารวัตว่างั้นนะเราจะตัดกระแสของสังสารวัตรนี่นะคือขนนอัธนธ์ธาตุอายตนะเนี่ยให้ขาดทําลายกามาพบรูปปพบและอรูปปพบทาลายราคะโทสะโมหะเป็นต้นขึ้นสู่ธรรมมนาวาเรือคือธรรมะสาเพาทองลาใหญ่อ่ะจะขึ้นสู่ทสมเพาทองลําใหญ่ลั่น ข้ามป่าปันโลกยะมาสมุดเนี่ยไปถึงฝั่งคืออนุ ป, ปาทาปริพันธ์นให้ได้ช่วยมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นในพุทธวงศ์เก่าไว้ที่นนะตอนนั้นพทีปังกรเนี่ยสเสด็จมาประทับยืนด้านศรีรษะของสุเมธาดาบทแล้วก็ทรงกระ ร, รมพยากรณ์ท่านใช้คำว่าอัศริสกะนาคเตสุทางศรีรษะในอนาคตท่านบอกว่า พระพุทธเจ้านาวัตถีบางกรผู้ทรงรู้แจ้งโลกผูส้สมควรรับเครื่องบูชาประทับอยู่ยืนอยู่เหนือศีรษะของเราได้ตำรับบอกว่าเธอทั้งหลายจงดูชดินดาบทนี้ชี้เลยนะเมื่อกี้เห็นภาพใช่ไหมนั่นแหละชี้ออกไปไปดูอีกครั้งนบอกว่าเธอทั้งหลายจงดูชดินดาบทเนี่ยผู้มีตาบะแก่ก้าตบะก็คือว่ามีฌานสมาบัติแปดมีอภิญญาห้า ในกลับปัญหาประมาณไม่ได้ไม่ได้บอกจํานวนกับบอกในกลับปัญหาประมาณไม่ได้จากนี้ไตเนี่ยเขาจะเป็นพระเจ้าในโลกบอกเนี่ยจะตัดสู้นุตตะาสมาสมเบลอยาณเป็นพระเาพระตถาคตจะเสด็จจากกบิลพัทที่น่ารื่นลอมทรงเริ่มตั้งความเพียรบําเพ็ญทุกกรกริยาตถาคตจะประทับนั่งที่โคนต้นอชะ ป, ปารานิโคดทรงรับข่าปลายาบแล้วก็เสด็จไปที่แม่น้ําเนรัญชาลา พระชินอาชาพระองค์นั้นจะเสวยข้าปลายาธิริมฝั่งแม่น้ําในรัญชลาแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้ดีแล้วจากนั้นพระองค์ผู้มียศใหญ่จะกระทําประทักษิณโพทิมณฑลนันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอัสสถพึกพระมารดาผู้ให้กําเนิดพระชินอาชาพระองค์นี้จะมีพระนามว่ามายาพระบิดาจะมีนามว่าพระเจ้าสุโธธนะพระชินอาชาพระองค์นี้จกมีพระนามว่าโคดม อ克拉สาวกจะมีชื่อว่าโกริตะและอุปติสาผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีอุปถากจะมีชื่อว่าอนนท์จากบำรุงพระเชษฐเจ้าพระองค์นี้อ克拉สาวิกาจะมีชื่อว่าเข ม, มาและอุบลวันนาผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีต้นไม้เป็นสถานที่ตัดส้วนนุตรัสสมาสมาสมปอริญาณของรพระเจ้าพระองค์นั้นชาวโลกทั้งหลายจะเรียกกันว่าต้นอัสสัทภค์ใน ขุทัการนิการพุทโธก่าอย่างนี้พอ พ, ะพระทศพลยามจำหลับอย่างนี้เห็นไหมว่าดูสิพอพระเจ้าประกาศอย่างนี้เบีดเสร็จให้ประกาศชื่อประกาศระยะเวลาประกาศพ่อแม่ประกาศอุปถากแล้วก็สาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายสาวกสาวิกาเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบ็ดเสร็จเนี้่ยบุคคลเหล่านี้แปลว่าจะต้องบ่มเพ็นบา ร, รมีค่อนข้างอย่าง หนักหนุน พ, พระทศรัตน์พลยานก็ดื้อยืนอยู่ด้านศรีรษะคันพยากรแล้วก็ชื่นชมบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยดอกไม้แปดกำมือนะเพระพระพุทธเจ้าอ่ะพระทีบังกรสัมมาสัมพุทธญาติทํำไมบูชาท่านผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบูชาพระพุทธเจ้ารู้ป่าเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าสเสด็จ ดำเนินเวียนขวาแล้วก็หลีกไปพระขีนาอบสี่แสนโลกก็พากันบูชาได้ดอกไม้ของหอมเดินเวียนขวาก็หลีกไปเหมือนกันประทักษินนะ่ะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่างร่าเริงได้ทราบว่าสุเมธาดาบทจับเป็นพระพุทธเจ้าพากันทำกทารบูชาอย่างหาประมาณนี้ได้ไหว้แล้วก็ททำระบุปุพพานิมิตสามสิบสองประการชื่นชมแล้วก็หลีกไปนะก็ ตรงนี้ก็คือว่าในคำพีชินารังการลก็กล่าวไว้ในคำพีสัมปราวิบากก็ขยายความไว้เหมอเือนเกี่ยวในเรื่องของปุพพนิมิตรหรือว่าสามสองประการแสดงเห็นชัดบอกว่าตอนนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่เขามีความรู้ที่เขาเป็นภ้าอริยะก็เยอะใช่ไหมก็พากันชื่นชม ว่าถ้าท่านทั้งหลายถ้าท่านเอาท่านสุเมธาดาบทจักได้เป็นพระเจ้าในานากคท่านก็จะมีปุถานิมิตสามสองประการยังไงพรนะนาให้ฟังเลยว่า ง, งั้นเดี๋สาธยายสูตรให้ฟังเว่า ง, งั้นเดี๋สาธยายให้เกิดความร่าเริงบันเทิงให้เกิดปราหมวดปีติปฏิสธที่ความสุขขณะนั้นสุเมธดาบทได้ฟังคามยากรของพระปรมาสดาทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าและของเทวดาและพรหมที่อยู่ในมืนจักรวาลแล้วจมดิ่งอยู่ในทะเลของปีติทั้งห้านะ ขุทักาปีติคัตภาภนาปีติเป็นต้นนะคณิกาปีติโอการิกาปีติเนี่ยนะอุเพิงกาปีติปีติทั้งห้าก็โลดผลในใจเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนียโลดผลอยู่อย่างนั้นแหละใครเคยเกิดปีติถึงห้านาทีไหมอี่ท่านเกิดอย่างโลดแล่นเลยนะบอกว่าทั่วสรีระไม่ขาดระยะเป็นประดุษมีกายอนัพิเศษด้วยอมตะสําคัญสมบัติของพระเจ้าประดุษอยู่ในอุ้งมือคิดดูเหมือนการเป็นพ ร, พระเจ้าอยู่ในอุ้งมืออยู่ในอุ้งมือเลย เกิดความอุตสาหะอย่างยิ่งอุตสาหะนี้เป็นความเพียรพยายามอย่างยิ่งคิดดูว่าตั้งแต่ได้รับพุทธบุตรกรแล้วในความอุตสาหะจะไม่ย่อละย่อลเลยจะไม่เคยเสื่อมถอยลงเลยเราจะถือเอาสมบัติแห่งพระพุทธเจ้าในวันนี้เราจะถือสมบัติแห่งกลางเป็นพระเจ้าในวันนี้ท่านอุทานเนี่ยนะว่างั้นลุกขึ้นจากเปลือกตมนั่งคูบอลลังเหนือกองดอกไม้ค้นหาธรรมที่จะทําให้ตรสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนั้น่นะ ัางพิจารณาถึงพุทธการะธรรมพุทธบา ร, รมีธรรมต่างๆเหล่านี้นั่งเข้าสมาบัดก่อนออกจากสมาบัตรก็ไข้ครวนอะอย่า ง, างก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นอนี่ถึงเวลาพอสมควรพักกันสักหน่อยดีไหม